เรื่องที่ต้องเรียนคืออริยสัจสติปัฏฐานและไตรลักษณ์วงเล็บเปิด10มีนาคม2550จุดจุดนาที26วงเล็บปิดเรื่องที่เราต้องเรียนนะเรื่องหนึ่งคือเรื่องอริยสัจเรื่องหนึ่งเรื่องสติปัฏฐานเรื่องหนึ่งเรื่องไตรลักษณ์ เรื่องหลักๆที่ต้องเรียนถ้าเรียนเรื่องเหล่านี้แล้วเข้าใจการภาวนาจะง่ายที่สุดเลยพูดได้ว่าไม่ได้ทำอะไรทำตัวเป็นแค่คนสังเกตการพวกเราสังเกตไหมในมหาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าบอกว่าทางสายเอกสายเดียวเพื่อความพ้นทุกข์ลองดูกิริยาในสติปัฏฐานมีกิริยาหลักอยู่คาเดียวคือคาว่าเครื่องหมายคำพูดรู้ท่านบอกว่าหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ ท่านไม่ได้บอกว่าหายใจออกให้กาหนดไว้หกฐานเจ็ดฐานห้าฐานสิบฐานไม่มีนะบางทีใช้คำว่ารู้ชัดเช่นยืนอยู่ก็รู้ชัดเดินอยู่ก็รู้ชัดคำว่ารู้ที่ท่านพูดมีความหมายนะมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้จิตใจเป็นกุศลก็รู้มีความโลภก็รู้มีความโกรธก็รู้มีความหลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหูก็รู้สังเกตให้ดีนะ มีแต่คำว่ารู้เต็มไปหมดเลยในสติปัฏฐานจิตมีการมาฉันทานิวร์ก็รู้ชัดมีพยาบาทนิวร์ก็รู้จิตมีอะไรขึ้นมาก็รู้ดังนั้นกิริยาที่เป็นหัวใจของการภาวนาในทางสายเอกทางสายเดียวคือคำว่าในเครื่องหมายคำพูดรู้นี่เองคำว่าในเครื่องหมายคำพูดรู้มีสองไยะอันแรกมีสติรู้สภาวธรรมที่กาลังปรากฏ คือรูปธรรมและนามธรรม ท, ที่กำลังปรากฏอันที่สองมีปรรัญญารู้ความจริงของสภาวะรูปและนามอันนั้นความจริงของสภาวะรูปและนามก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราฉะนั้นคำว่ารู้ครอบคลุมในยะสองประการอันแรกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอันที่สองรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ตัวเรารู้อย่างนี้แหละจึงเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อการพ้นทุกข์ดังนั้นเราต้องฝึก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 รู้กายเวทนาจิตธรรมไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดขึ้นเองดังนั้นสติปัฏฐานในเบื้องต้นทำให้เกิดสติเรารู้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปอย่าใจลอยแล้วอย่าเพ่งอยู่ที่กายดูจิตไปก็อย่าใจลอยแล้วอย่าเพ่งอยู่ที่จิตรู้เวทนาก็อย่าใจลอยไปแล้วอย่าไปเพ่งเวทนาสิ่งที่ผิดมีสองอันคือเผลอไปกับเพ่งเอาไว้ เพ่งแล้วจะนิ่งไม่สามารถรู้สภาวะตรงตามความเป็นจริงได้ดังนั้นสติปัฏฐานเบื้องต้นก็รู้กายเวทนาจิตธรรมไปแต่แบบไม่เพ่งแล้วก็ใจไม่ลอยลืมมันไปรู้บ่อยๆเท่าที่รู้ได้จนจิตจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดขึ้นนี่เป็นสติปัฏฐานขั้นที่หนึ่งเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วจิตใจตั้งมั่นสัมมาสมาธิเป็นสิ่งจําเป็น จิตใจที่ตั้งมั ए, ่นตรงนี้ต้องเรียนนะบทเรียนเรื่องสัมมาสมาธิอยู่ในเรื่องจิตตสิกขาเรื่องศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาต้องเรียนให้ครบนะต้องเรียนจนกระทั่งจิตใจของเราตั้งมั่นเกิดสัมมาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสมาธิสมาธิที่พวกเราฝึกฝนมันเป็นมิจฉาสมาธิเป็นส่วนมากเป็นสมาธิเพ่งจ้องบังคับสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่น สักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวะธรรมตั้งมั่นกับตั้งแช่ลงไปไม่เหมือนกันนะถ้าจิตใจเราตั้งมั่นมีสติระลึกรู้รูปมีสติระลึกรู้นามจะเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงของรูปของนามดังนั้นสติปัฏฐานเบื้องปลายนี่ทําไปเพื่อให้เกิดปัญญามีสติระลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจลงไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลาง คือสัมมาสมาธิถึงจะเกิดปัญญานะเพราะสัมมาส ม, มาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าขาดสัมมาส ม, มาธิจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแลก็ไม่เกิดปัญญาหรอกจะเป็นผู้เพ่งผู้จ้องผู้บังคับปัญญาที่เกิดขึ้นก็คือการเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นั่นเองเบื้องต้นเห็นก่อนว่าไม่ใช่เรานะพอเห็นตรงนี้นะจิตบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตัวเราไม่มีรู้กายรู้ใจต่อไป เห็นกายนี้ทุกขล้นล้วนเลยนะจิตปล่อยวางความยึดถือกายเป็นพระอนาคามีสุดท้ายจิตมันจะรวมลงมาอยู่ที่จิตมารู้อยู่ที่จิตเรียนรู้จนกระทั่งปล่อยวางจิตจะสมมติเรียกว่าพระอรหันต์ใช้คำว่าสมมตินะพระอรหันต์ไม่เคยรู้สึกว่ามีพระอรหันต์เป็นของสมมติขึ้นมานี่คือเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์เป็นทางสายเอกทางสายเดียวที่เราต้องเรียน แต่ละจุดแต่ละมุมจะมีแง่มุมที่ต้องเรียนเป็นรายๆไปนะนี่หลวงพ่อพูดในภาพรวมให้ฟังไว้ก่อน